ขอจเจริญพรและต่อไปก็จะพูดถึงในเรื่องของการให้ทา น, นที่นี้การให้ทานที่ถูกต้องเนี่ยตามหลักการในคำสอนก็คือการให้ที่เป็นวิจัยยาทานังก็คือการให้ทานด้วยปัญญาให้ด้วยปัญญาให้ด้วยความรู้ให้ด้วยความเข้าใจเมื่อเรามีวัตถุทานไม่ว่าจะเป็น สิ่งของใดๆก็แล้วแต่เนี่เป็นเงินทองสิ่งของเครื่องใช้ตลอดถึงเสื้อผ้าและอาหารเนี่ยแปลว่าวัตถุทานนั้นเรามีแล้วที่อยู่อาศัยเครื่องดูหอยยาอาหารก็ได้หรือจะให้หรือจะมีเกี่ยวในเรื่องของข้าวน้ำปฏะทีบโคมไฟที่นอนที่นั่งว่าไปสรุปก็คือมีตัววัตถุทานอันนั้นตัวสิ่งของที่ควรให้มีวัตถุที่ควรให้ใช่ไหมในส่วนแรกเลยนะ ไอ้ส่วนที่สองเนี่ยก็คือเจตนาคือจิตที่คิดจะให้นั้นนั้นไอ้ตัววัตถุทานเนี่ยมันจะเป็นทานได้หรือไม่เป็นทานเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่ว่าจิตที่ผู้คิดหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของนั่นแหละคิดในการที่จะให้จะแบ่งปันเมื่อเราให้หรือเราได้การช่วยเหลือบุคคลอื่นเนี่ยมันจะให้ด้วยการอย่างไรก็แล้วแต่นะให้ด้วยบูชาหรือให้เพื่ออนุเคราะห์ก็คือให้นะ แต่การให้นี่นะเมื่อเราตั้งใจในการที่จะให้จะสละจะแบ่งปันแล้วเนี่ยเรามีวัตถุหนึ่งชิ้น2ชิ้นสมชิ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่ตัววัตถุทานตัววัตถุทานเนี่ยมันไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปได้หรอกแต่ว่าเจตนาหรือจิตของบุคคลที่คิดจะให้ตรงนี้แหละเมื่อตั้งเจตนาดีตั้งหลายเลยเนี่ยเจตนาที่เป็นไปกับความคิดในการที่จะให้จะสละจะแบ่งปันจิตที่เกิดขึ้นเนี่ย เป็นสภาพที่มีศรัทธามีความเชื่อมั่นมีเจตนาคือความตั้งใจที่เป็นกุศลคุณภาพจิตที่ดีจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่เกิดความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่คิดอยากจะให้นั่นแหละไอ้ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าตัวเจตนาทานแล้วก็มีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจด้วยนี่ให้แล้วนะนี่ตัววัตถุทานนะเช่นถ้าเราให้อาหารใครเนี่ยนะหนึ่งมื้ ไอตัวอาหารเนี่ยเมื่อเราให้ไปแล้วตัวอาหารมันก็แปลเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นวิตามินไปนหล่อเลี้ยงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไตหัวใจตับปอดจนถึงมันสมองของบุคคลนั้นเน่ยให้มีคุณภาพที่ดีก็เลยกลายเป็นว่าจากที่กระแสะชีวิตของเขาจะมีจะสั้นลงเนี่ยเราก็ไปต่อให้เขามีกระแสะชีวิตที่ยืนยาวไปจึงเรียกเป็นการให้อายุเข้าใจะยังให้อายุยืนแล้วก็คุณภาพชีวิตของเขา ผมผลเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไตหัวใจตับเป็นต้นของเขาเนี่ยมันก็แข็งแรงขึ้นมานี่เขาได้ให้กำลังแล้วเมื่อวิตามินทั้งหลายไปหล่อเลี้ยงร่างกายเขาแล้วก็ส่งผลมาที่คุณภาพชีวิตของเขาดีมีผิวพรรณงามเป็นต้นเนี่ยได้ให้ผิวพรรณด้วยแล้วเขามีความสุขไหมเขาก็มีความสุขเวละสุขเกิดขึ้นกับเขาแล้วอะไรจะตามมา จิตของเขาก็จะตั้งมันได้ง่ายเมื่อจิตเขาตั้งมันได้ง่ายก็เลยเป็นฐานใกล้ชิดเป็นเหตุใกล้ชิดให้เกิดสมาธิพอสมาธิเกิดก็เลยเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญามองเห็นได้ยังว่าการให้วัตถุหรืออาหารเป็นต้นเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยทําให้เราเราเชื่อว่าเราให้อายุเขาให้ความเป็นผู้มีอายุยืนให้ความสุขให้กําลังให้ผิวพรรณใช่ไหมแล้วก็ให้ปัญญาเห็นชัดได้ยังเดียวนี้ ใการให้เนี่ยเป็นเหตุการเราเมื่อเราให้อายุให้ความเป็นผู้มีอายุคือยืนแก่เขาตัวกุศ ล, ลเจตนาตรงเนี้ยกาลังของกุศลเนี่ยไปกระทบกับคุณของเขาศีลเป็นต้นที่เกิดขึ้นกันในกระแสะชีวิตของเขาเป็นต้นเหล่า น, นี้ก็ เ, เป็นเหตุทําให้เราเป็นผู้ได้ความเป็นผู้มีอายุยืนเป็นต้นแต่หลักการเนี่ยเมื่อเราได้ให้ใครอนุเคราะห์แก่ใครแล้วเนี่ยไม่ควรให้แค่วัตถุทานเราควรพัฒนาไปสู่การให้อภัยทานด้วย ให้ตั้งเจตนาว่าจากการที่เราได้ให้วัตถุสิ่งของแก่ท่านผู้นี้ให้ที่ยัวสายให้เครื่องนมหอมให้ยาเป็นต้นเหล่านี้ให้ตั้งเจตจํานงเลยว่าเราจะให้อภัยทานท่านผู้นี้ด้วยการให้อภัยทานคือทําอย่างไรให้ความปลอดภัยแก่เขาคือนับให้ความปลอดภัยในชีวิตเขาให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินเขาให้ความปลอดภัยในบุตรในภรรยาเป็นต้นแก่เขาแล้วก็ ให้คําสัตย์คําจริงเป็นต้นแก่เขาให้ความสมัครสมานสามัคคีแก่เขาและก็คือให้ความไม่หวาดระแวงใช่ไหมเนี่ยพัฒนาไปถึงอภัยทานในทีนี้การจะพัฒนาไปถึงอภัยทานได้ต้องคิดอย่างหลายต้องตั้งเจตนาว่านับตั้งแต่วันนี้นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทำจิตให้เกิดความขัดเคืองให้เกิดขึ้นกับพฤติกรรมของท่านผู้นี้ ไม่ว่าท่านผู้นี้จะมีพฤติกรรมอย่างไรดีหรือไม่ดีก็ตามเราหรือข้าพเจ้าจะไม่ทําความขัดเคืองความโกรธความหงุดหงิดทั้งหลายเกิดขึ้นแม้จะไปเจอท่านผู้นี้ในที่ใดในอาถภาพใดณแห่งค้นตาบลใดก็จะไม่ทําความขัดเคืองความหงุดหงิดความโกรธความฟุ้งซ่านลาคาญใจทั้งหลายเป็นต้นให้เกิดขึ้นจนกว่าข้าพเจ้าจะบรรลุถึงซึ่งความหลุดพ้น จากกิเลสและกองทุกเมือ้ตั้งความปลอดภัยไว้อย่างนี้เลยตั้งความให้อภัยให้ความปลอดภัยอย่างนี้เลยแม้ทุกคนที่เราได้ให้หนไหมเนี่ยหนึ่งให้วัตถุทานสองให้อะไรให้อภัยทานการให้อย่างนี้มีผลดีต่ออะไรมีผลดีต่อจิตใจของเราใช่ไหมเราก็จะไม่ขัดเคืองเขาเราและเราก็จะไม่ไปตั้งความรู้สึกว่าไปกำหนดกฎเกณฑ์เขาว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นต้นมองเห็นไหมยัง ก็คือเราไม่ไปกํากับกระแสชีวิตเขากระแสชีวิตของเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเป็นพฤติกรรมกระบวนการความคิดข้อมูลความรู้ของเขาเมื่อเราไม่ไปโกรธไม่ไปสร้างความหงุดหงิดไปสร้างความขัดเคืองเป็นต้นให้เกิดขึ้นแปลว่าเราให้ความปลอดภัยในชีวิตของเขาให้ตั้งเจตนาอย่างนี้มองเห็นได้ยังระดับที่สองทีนี้ระดับที่สถ้ามีโอกาสสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะให้อะไรแก่เขาให้ธรรมทานอะไรเรียกว่าธรรมทาน การให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้เขาดำเนินให้เขาเกิดความขยันหมั่นเพียรบอกว่าแนะนำเขาบอกกล่าวเขาว่าต้องเป็นคนมีความขยันอย่างไรต้องเป็นคนมีความกระตันยูรู้คุณกระตาเวทีตอบทุนแทนคุณคนอย่างไรให้เป็นคนมีความเชื่อมั่นตนเองในการที่จะฝึกตนเองเพื่อประสบความสาเร็จในชีวิตอย่างไรให้เป็นคนไม่ประมาทให้เป็นคนมีความอดทนให้เป็นคนมีความตั้งมั่นและ จะ ด, ดำเนินกระแสชีวิตอย่างไรให้รู้จักวิจัยแยกแยะเป็นไปกระเหตและผลการที่เราบอกเหตุบอกผลบอกเรื่องให้เขาเกิดข้อมูลความรู้อย่างนี้เขาเรียกอะไรชี่วันเราให้อะไรให้ธรรมทานสรุปแล้วก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมันจะพัฒนาได้ดีที่สุดก็คือว่าธรรมทานเห็นไหมเป้าหมายที่สําคัญที่สุดเป็นอยู่ตรงไหน อยู่ตรงนี้ธรรมทานอยู่ที่ธรรมะอยู่แค่ข้อมูลความรู้การให้ข้อมูลความรู้การให้หลักการดําเนินชีวิตของกูคนให้ถูกต้องอย่างแท้จริงอันนี้สำคัญไหมเนี่ยมันสําคัญที่สุดคืออยู่ตรงนี้แหละฉะนั้นการให้ถ้าให้แค่วัตถุทานอย่างเดียวเนี่ยไม่ประเสริฐเลยใช่ไหมเมื่อเราให้วัตถุทานแก่คนบางคนเมื่อเขามีกําลังมีความสุขแล้วเนี่ยหรือเขามีกระบวนการความคิดอ่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไอ้คนคเนี้ย เมื่อเขามีกําลังมีอายุยืนเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเขเป็นวิชาทิ่ติขึ้นมาเขาไปทําชั่วไหมไปหรือไม่ไปเขาก็ไปทําชั่วไปทําผิดเห็นไหมการให้กําลังแก่คนทําชั่วมันก็กลายเป็นโทษใหญ่โตเลยตัวนี้เป็นต้นฉะนั้นการให้การให้วัตถุทานอย่างเดียวไม่พอต้องพัฒนาไปสู่อภัยทานคือการให้ความปลอดภัยเป็นต้นด้วยและอภัยทานอย่างเดียวก็ไม่พอสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือให้อะไรให้ธรรมทานให้ข้อมูลให้เหตุผล ให้หลักการในการครองชีวิตการดําเนินชีวิตนะในขั้นของจริยธรรมว่าเออเป็นมนุษย์ต้องรู้จักเขตดจักผลยังไงรู้จักการทําสิ่งที่ดีแล้วจะได้รับผลดีทําสิ่งที่ไม่ดีได้รับผลที่ไม่ดีอย่างไรและพัฒนาไปถึงให้เขาเกิดปัญญาได้รู้สัจธรรมรู้ความจริงของชีวิตว่าชีวิตมีความไม่เที่ยงยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงและเป็นไปตามเหตุปัจจัยยังไงเป็นต้นเห็น ไ, ไหมสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวธรรมทานนี่แหละ การให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเพื่อจะสามารถทำให้เขาเดาเนินชีวิตได้ดีงามอย่างนี้เป็นตน้นเริ่มเข้าใจคำว่าการให้หมัม้ยการให้ถ้าให้แค่วัตถุทานอย่างเดียวมันก็ติดขัดทำให้ใจทองใจของเราติดข้องทำให้จิตของเรานั้นไม่เปิดกว้างนั่นจึงต้องให้อภัยท า, านแกเขาเขาก็จะมีกระบวนการความคิดอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรเราก็ไม่ขัดเคืองไม่โกรธ ไม่ไปกำหนัดไม่ไปขัดเครืองไม่ไปมัวเมาลุ่มหลงในพฤติกรรมเขาที่ทำดีหรือไม่ดีเป็นต้นให้รู้และเข้าใจและที่จะให้สมบูรณ์ที่สุดก็คือต้องพัฒนาไปถึงตัวธรรมทานก็คือการให้สิ่งที่เป็นข้อมูลความรู้เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นต้นเพราะจะเข้าใจชัดนะโอเค